แกมากล่ทิศยา่นเป็นนักอนุเฉลิมต้องพิจารณาเงอือนเสือต้องทำให้มากต้องทำให้ยิ่งเขาพดยอย่านี้เ น, นี่ยทำให้ยิ่ให้มากเลยล่ะกองหลงท่านทลายเจ้ทาท่านอยู่ไม่ได้นานยิ่งจะไปโผลดูข้าหนึ่งก็ไม่ไหวจริงให้ข้าคนใดความดักเบ็ดดักแล้วนานยิงจะไปเยี่ยมเอานานจึงจะไปเอา มาเจ้าพิจารณาอยู่เป็นเนืองนิดพิจารณาให้ติดต่ออยู่เป็นหนึ่งนิดแล้วถ้ากลางวันถ้ากลางคืนโมฆะโมฆ ok ะท่านจงพิจารณาโลกเป็นของศูนย์สอนอัตารุทิถึงท่างกลางวันกลางคืนเลออิกชาติชาลาพยาธิมรณะจะไม่ม า, าท่านเราไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีสังขารศูนในงานสองเราว่ามีของเราไม่มี สังขารศนในเงื่อนสองผู้อื่นไม่มีขอผู้อื่นไม่มีสังขารศูนในเงื่ อ, อ น, นสีส่ก็มีแตกเกิดได้แปลผลได้แตกสลายนักนี่แค่สังขารกองทุกหนักกูได้พิจารณาอย่างนั้นผู้นั้นเขาบาลมีแตกต่ามาเลยก็าหาอยากจะพ้นพระน้นพที่ติดอยู่ในนิมิตทีนี่พวกที่ติดอยู่ในนิมิตไปเมืองสวรรค์อ่า ไปนรกบ้างไปนั่นบ้างพวกเทีดอยู่ในอันนี้มันก็ถูกอยู่แต่ว่ามันยังไกลอยู่ในใจโรกธาตุกกามันเป็นเมืองนรกอยู่แล้วมันไปมันก็เห็นอยู่แล้วมันผิดกันแต่ว่าทุกน้อยทุกมากแค่นั่นแหละทุกในมนุษย์โลกทุกในสัตว์สิริษฉาน ทุกในะรกอีกก็มีหลายชั้นทุกในสวรรค์ก็เป็นทุกข์หรือพ่อมีเกิดเกีเก่ยวกบตายทุกในภพ ม, มโรกก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้ทิ้งซากไว้มรณภาพ ก, ก, ก็ไม่มีเชิงตะกรหาวับตัวเรามาเลยนี่ว่าโอระฟาติกเกิดพุ่ขึ้นตายก็ไม่ได้เผา ตายว่าม่ดของพ่อนสูดถุงเสาเมียนฟังไม่ออกหรกเนี่ยเรื่องสวัสดนี่ยม้วนเห็ดแร่นเปิดตอไม่จยอดตอฝ่ามาวนนี่เหลื่อมซองใสเลยไม่ไทํำให้หัวหน้าทางทินสวนไม่จะกินเจ้าของที่ร่วนว่าหูแหงท่ำหน้าไม่จะพากัปุกบถูกตองเงื้ยนยาวฟังไม่ออกของผมฟังไม่ออกพอปีใสหัวควายเลย โรคถึงขนาดนั้นอ่ะยังมาเที่ยวก็คิดดูว่าแปด0มืนสี่พันกับพวกอาราลาดาบทอุตกาดาบทรามบุญแปดหมืนสี่พันกลับจะได้มาเกิดแ ก, ก่เ ก, ก็บตายเนี่ยว่าท้าทัศง์อื่นพระบรมศาสรารัศน์รูแล้วจะไปเทศโปรดเอาพวกอาราลาดาบทอุตกาดาบทรามบุญพิจารณาดูแล้วเออท่านเหล่านี้มียวาน่าภาพไปแล้วเจดวันแล้วเจะานายอเจ้านายหมอแล้วก็เกิด นะผมว่าโลกมีอันนี้สองแปดมื่นสี่ันกับแปดมื่นสี่พักับจะมีพระพุทธเจ้าสี่องค์วันนับเกือบจะถึงอ่านโพลแปดหมื่นสี่พันกับนั่นจะได้เนาเจะได้นาะผมอยากนั่นก็จะได้มาเกิดเก็ดตายถ้าโัดาวันยังไม่ได้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นพราะพวกเหล่า น, นั้นไม่แสดงตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังเป็นาศนาสนาอื่นมาแข่งาศาสนาพุทธอยู่ถ้าแสดงตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็เร่งสามารถเองพระพุทธดานันท์พระธรรมเนตรนั่เองโยอันยึสักตุเทศซื้อสาธาอื่นซุสาธาอื่นก็ไม่สามารถจะสำเร็จมงคลในความจะพระเจ้าบดได้เพ่งสักเพียงไหนก็ตามซื้อสาธารอื่นจะมีฤทธิ์เีเดสักเพียงไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะมาเป็นพระโทธดาบันทได้เนี่ยนมหาปริาสูตรพระบรมสา กระดเจอธิบายแก่ชุพัฒน์ทักษว่าต่อแก่ข้อหาทางานอื่นถ้าเขาว่ามาประมาทในะยามยาวิธีของเขาเขาจะพ้นจากชาติชาลาสยานิตอันะได้หรือไม่พระเจ้าค่าเขาจะถึงพระศรดาวันครับตาคางนอนาคามในอานันท์ทนนทนนได้หรือไม่พระเจ้าย่าเลยย่าเลยยาเลยอย่าไม่พูดเข้าข้างตัวดอกเตอร์เ อ, อ๋ย ศาสนาอื่นมีดาสนทั้งถิอย่าว เ, เอามาปนเปกับศาสนะพูดเลยถ้าสวสดาวันก็มาได้แม่ตัวของเขาเองก็เป็นพุทธิยมคนหนาเราดีๆนี่เองเขาจะได้สวัสดีวันทศกัาคามี อ, อนาคามีมาจากตัวไหนล่ะนะโหรเร า, าพูดเข้าข้างตัวดอกเราพูดเข้าข้างธรรมเราพูดธรรมจริงด้วยพราพุดแต่้าองค์ไหนๆก็มาพูดทชองนันกับเราด้วยะนะข้าศัตรูเราตัอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทั้งหลายยมีพ่อแม่ขอกพ่อคอกปู่คอกย่ากันเอกมาลกเอยกันเลยองค์นั้นปัญญาไม่เหมือนเราองค์นี้ปัญญาเหมือนเราพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้มาแข่งดีแข่งเด่นกันเลยพิษกันแต่ว่าสร้างบารมีน้อยดีมากเท่านั้นปัญญาที่กะวิริยาที่กะสักขาที่กะเท่านั้นปัญญาที่กะเกณฑทางปัญญาสร้างบารมีน้อยทัศน์รู้ได้ง่ายแต่อายุไม่สั้นแต่แต่อายุสั้นวิริยาที่กะสร้างบารมีมาก แล้ว่าเมื่อสาเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเรามีธรรมะอันเดียวกันพระนิพพานก็มีรสชาติเป็นอันเดียวกันไม่มีเก้าอี้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามไปอย่างเหมือนที่ยังมีชีวิตอยู่พระหัต์ที่มีชีวิตอยู่ต้องมีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามต้องมีที่นั่งอันดับกันชวนเข้าสู่พระนิพพานแล้วอันดับเดียวกันหมดมีรสชาติอันเดียวกันพระพุทธเจ้าของมั้นกันนั่น ศาสนาพุทมันหมดแล้วศาสนาพุทธมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรดอกบางท่านผู้อยาาสนาร่วงแม้ทางนั้นทางนี้ถ้ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ศาสนาจะล่วงไปทางใดก็ตามเกลือมันก็เค็มอยู่ตามธรรมชาติของมันพลิกมันก็เผ็ดอยู่ตามธรรมชาติของมันน้ําตาลมันก็หวานอยู่ตามธรรมชาติของมันไม่เห็นมันลับเรือนไปทางไหนในี่ฉะนั้นจึงว่า อาการิีโกมีอยู่ทุกการทุกเวลาเป็นเพียงเป็นยุคข่าวคนปฏิวัติต่ําลงสูงขึ้นนละ้วส่วนการทาคำสอ น, น, นของพระองค์เป็นคําทําอันเก่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาสัทธาโตเขาก็เป็นทําอันเก่าเอามาสอนพวกเราก็เป็นทําอันเก่าไม่ใช่ทำอันใหม่เอซารโมสนาร น, นันโตเป็นทำอันเก่านั่นเองทําไม่มีอยู่ก่อนเลยลพระสมานพรพุทธเจ้าจะรู้อะไรเพราทำไม่ีอยู่ก่อนแต่มันขาดยุคคนปฏิวัติตไปเฉย เมื่อมาเห็นใหม่ก็เท่ากับว่าเป็นข้อใหม่ไอ้พทจ้าก็เป็นทางการเก่าเอสัตโมนันตโรพระพุทธเจ้าไม่มีไม่มาใายุพระพุทธเจ้าไม่มาทำทางรัฐ ก, ก็มีอยู่เปลี่ยนคำนมามเป็นยุกยุคพระพุทธเจ้าแต่ไม่ ม, มาคัดค้านกันเหมือนพวกรัฐมนตรีเนอะพวกรัรฐมนตรีจนะมาคัดค้านกันมาแย่งข้หมายกันพระพุทธเจ้ามาแย่งข้หมายกันมาลงเอ่ยกันเลยไม่คัดค้านกันไม่ไม่มาแข่งดีกัน นนัน่ลงเอกระหนดถ้าเสีเยเ ม, ยเ ม, ยเมย่ตายมาเนี่ยเหมือกนกันมาในอนาคตเนี่ยถ้าโคโดมไม่มีปัญญาเท่าเราทำของพระโคโดมมักแปลกของพระโครมมันเป็นอย่างหนึ่งมักแปลกของเราเป็นอย่างหนึ่งเสียสมาธิของเราเป็นอย่างหนึ่งพวกพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นค้าข้านกันคลิกกันแต่ว่าองค์ท่านสร้างมรรมีน่นมากสํากันเท่านั้นัว่ากันเท่านั้นมีอายุชั้นหรือยาวกว่ากันเท่านั้นส่วนรุ่นลูกโฉมก็อันเดียวกัน รักษณะอธิตยานุพยัญชนะก็อันเดียวกันหมดผิดกันแต่สร้างวารเมีน้อยหรือมากผู้สร้างวารเมีมากก็ได้กำไรมากมีอายุยืนมากผู้ที่มีปัญญาว่าอายุยืนน้อยที่กล่าวตัวว่าพระครมกระลักเอาดอกบัว พระศีรเมตไตรเจ้าตัททะรูก e <oss il ian> ่อานั่นกล่าว์ตูพระสมาสัมพุทธเจ้าบาปตายถ้ารักได้อย่างนั้นเราก็ไม่ทราบมารเมษพนักเอาก็ปัญญาทิกะก็ตัศทะรูดายเร็วก็ต้องเห็นผลแลน่พระศีรษะเมตไตร็วิริยาทิกะนานในตัททะรูเพราะเก่งทางความเพียรพราปัญญาทิกะก็เก่งทางปัญญาก็ตัะรูได้เร็วตวิริยาทิกะนี่เก่งทางความเพียรเอ้าความเพียรออกต่อรู้ เนี่ยแค่นั้นถึงสร้างบารมีลงทุนมากศรัทธาธิกะเก่งทางความเชื่ อ, อปัญญาทิ่กะเก่งทางปัญญาแต่ว่าเป็นธรรมะอันเดียวกันหมดไม่ใช่คนละอันเดินทางไปเรื่อยกันพิดว่าแต่คนคนหนึ่งเดินไปถึงก่อนคนหนึ่งไปถึงหลังเทนั้นะเป็นยุคเนยุคเป็นยุกไอ้ที่แค่คนทางอันเดียวกัน ด้านภาวนาพุทโธพุทโธของเราไม่ได้กล่าวว่าแตพ ignore, ่พุทโธพระโคตรมะเน้อพุทโธทุกๆพระองค์เนื้อเราภาวนาธรมโมก็ธรมโมทุกๆพระองค์เน้อสังโฆก็พระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์เน้อเราภาวนาเราไม่ได้น้อมไปตั้งแต่สาวของพระธรรมมาถึพุทธเจ้าโคตมะอันเดียวเพราะเป็นธรรมอันเดียวกันสัพพุทธานุภาไปนะอนุภาพแห่งพุทธเจ้าทั้งหลายสัพพรทธมานุภาไปนะอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งหลายพระสังขานุภาไปนะอนุภาพแห่งพระ อันนีสงสทั้งหลายนับทั้งหมดทุกๆพระองค์ทั้งสีรวงไปแล้วทั้งที่ยังไม่มาถึงเพ่งเป็นธอันเดียวกันเราก็กราบไหว้หมดถ้าเราให้ทานรักษาสินภาวนาในศาสนาของพระสมานพระพุทธเจ้าของพระโคดมเนี่ยก็ถ้าว่าให้ทานรักษาสินภาวนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ละเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นก็พูดราดับดังขึ้นมาขึ้นเทีนี้กลัวไหมล่ะไม่กลัวนะ อลไรนะนีนะไปายเดสงงามเจนี <im> <bleiben> <not> ่ภาวนาแล้วมาเกือแก่แคบตายอีกเลยมาไปสมัยแล้วมักเกือแก่แคตายอีกเลยปาถึงพระนิพพานปาจนาถึงพระนิพพานขณะกิจเดียวยังดีกว่าปัจฉานในโลกในรงสารละล้านขณะกิจเน้อนะนะความเมื่อยังมอมูตัวยังยักคน เ er. ต้โลกธามันเป็นของพระพุทธธรรมพระสงฆหมดมีน้อย ก, ก็เป็นของ พ, พระพุทธธรรมหมดพระสง์หมดม่มากในไตโลกธานเนี่็ทับถินของพระสรรมานพรพุทธเจ้าพพองคนะ์นาะเนาะไม่บอกเนอะทั้งหาที่มาทับเอังหาที่มาทัไปก็เป็นของพระสมานพพุทธเจ้าทัา้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระสาติทั้งหลายด้วย แค่นาสณะก็เหมือ น, อปปนอกันมอบใหเปขอพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมดเนี่ยเออถ้าเป็นของเราไม่ได้เห็นว่าหมอบมอบเลยนั่แปลโลกาธรมมอบเป็นน้ำลายขององค์ทา่านท่านบ้วนทิ้นหมดแล้วมีแต่พวกเราเปรียบเหมือนมดไปแยกมันกินโก้ไหมพวกเราแยกของบัดของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพาอยู่ที่จิตใจ ไม่คนไม่ลอยห้ำคนจะไม่ลอยน้ำหรอือคนเล่าเชือกขาดแต่ว่ามันมีพระพูทธระษามพระ ส, สงค์ตรงอยู่ที่ใจนึกไปในทางโลกมาเป็นพัฒนาคัชาในส่วนมากเพราะมายินดีต่อพระพุทธภามพระสงค์บุคคลผู้ไม่ยินดีต่อพระพุทธภามพระสงค์เป็นคนวัฒนาจาต้อยอยังสร้างบา ร, รมีอ่อนอยู่ บางทีชะลอยจะเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ขาเป็นได้แต่ก่อนเป็นขับเทิดสารได้ในอยู่ในนรกพวกที่เรื่งใช้พพุทธศาสนามันเกิดจางก็เปรียบเหมือนพวกที่เกลือเวลาไหนก็เข็มอยู่พระสมานพรพุทธเจ้าได้ส่งพระมหาโสรนาอย่างเช็่ที่แล้วได้ข่ามอะไรมาร สงสงไข่แสงมหากัตถ์ท่านได้ทอดท่านมหากัลยาณมา์และท่านไดกาอย่างเต็มภูมิหมดกำลังแล้วแม้ในเทศสงฆ์สั่งสอนหมดกำลังแล้วจะเอาเรื่อไม่เอาก็เป็นเรื่องของพวกเราท่านก็ไม่ได้เพศทัศนท่านว่าตอนนั้นตอนนี้พระพเจ้าจยังไม่ได้สั่งสอนทุตมบริษัทท่านก็ไมาได้ว่าท่านจงไปอย่าเย็น ทำคำสอนของเรานน่เองจะเป็นแสาสตดดาของเธอทั้งหลายเพื่อทั้งหลายจงปฏิบัติตามสิ่งกำลังของเธอเถิดอย่าอยู่เฉยๆจงมีที่เกาะจงมีที่พึงง่งเนอ้อพระบรมศาสดาจงทั้งขาไม่เที่ยงเน้อถึงดขึ้นแล้วพอเปรอะควรไม่เสีสลายท่านทั้งหลายอย่าได้ประมา ก็ประมาณเป็นคำอันแม่ตายผู้ประมาณก็เรียกว่าผู้ตายเลยประมาณจากคามถิ่นตอแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าอันใดอันหนึ่งคำถามที่เป็นแม่เล็บลึกลูถึงอานาวัตรชีระวัตรภาวนาวัดเราก็ทําตามคติกหรับของเราเท่าที่มีเราก็ภาวนาด้วยร่วมพระใจเข้าออก เป็นกนรรมฐานสาคัญที่สุดเส้นผีพึ่งชั่งในอีกเมื่อสติกรจดจ่ออยู่กับลมให้การข้าออกเส้นสมาธิปัญญาก็เจเริญไปในตัวทางศีลภาวนาก็เป็นหัวจักทางศีลภาวนาไปในตัวดึงมันไปพ่วงมันไปพานายกดี สติก็เกิดขึ้นในที่นั่นสันึกกัญญาก็เกิดขึ้นในที่นั่นใครๆก็มีอยู่ทุกคนลมหายใจเข้าออกลมห า, า, ายใจ เ, เาาออข้าออกก็คือกายเราดีๆนี่เองถ้ากายไม่มีลมออกลมเข้ากายก็ต้องแตกผู้ตายคาภาวนาลมหายใจเข้าออกก็จะเกิดพมลโลกเพราะตายคาชาน ถาวิญญาณรม้ายาาใจเขาออกพร้อมด้วยอเนจังทุกคังอนัตตาคอดีพร้อมด้วยทำอันันเกิดระดับคอดีก็ไปพรมโลกชั้นสูงกนนอีผู้วิญญาณอเนจังทุกคังอนัตตาพร้อมกับลมหายใจเขาออกก็เป็นพุทโธชั้นสูงเป็นธโมชั้นสูงเป็นขั้งโคชั้นสูงอยู่ในตัวเมื่อตาชาแนนยังไม่พ้นทุกเขามีอานิสงส์ ร้อยโกรกับยังไปัวาอาราบุตอุตส่าดาบด้วยอุตส่าดาบอาลาดาบรามาบุตรแปดมืนสี่พันกับอันนี้ร้อยโกรกับจึงจะได้มาท่องเที่ยวในวัดพระธัรสานี้ ทีมโมเราีนีเองก็คือทั้ทงโคลรรารีนี่เองแต่เราไม่ได้ออกชื่อเมรำกระนั่นพทระพุทโธธรรมโมทังโธจะเอาใปใส่ทหมดไหนมันก็ถูกหมดนับแต่ธารนวัตชีรวัตภาวนาวั ต, วตไปเขาเป็นพทททรรุทธโธธรรมโมทังโทั้งน่ะเพราะท่านะ่ะเป็นผู้มาบอกมาสอนมาสะให้เราปฏิบัติ ผู้ยินดีในพอานาะก็คือผู้ยินดีในสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมันเองไม่ได้ยั่งอยู่ไม่ได้ยุดอยู่เรียกว่าเดินไปเสนอเสนอตรงนีไม่ไอยู่ที่เก่าจิตใจก็นับวันสูงขึ้นถ้านอะไรมาันเสด็จด้วยการบริจาคาทา น, าานเหี้ยอะไรมันเสน็จด้วยการละสาศีนทานาาน่องอะไรมันเสด็ด้วยการเจริญพอานา ฉันทะพอใจและไข่ ใ, ในลมหายใจเขาออกมือพุทโธเป็อนหัวหน้าอยู่นั้นสัมพันธ์ยันี่สติอยู่ที่ใดพุทโธก็อยู่ที่นั้นมีสัมพันธยัชน์อยู่ที่ใดรวามรู้ตัวในกรรมฐานทั้มมูโมทั้งโตเขาอยู่ด้วยกันเหมือนกันตอนนักการปฏิปท า, าสู่ทีท่พัติบัติได้สิสู่ทีท่พัติวัตรได้สิ จริงๆช้างวงช่างวงมีสีสหกคือวางกลาหงษุถึงงษุกายใจให้นในใหนในมีลายเวลาให้ลูกฟังเสียงดูกิ่นดื่มรส ถ, ถูกกล้องหัวตะก้าวกายผู้ทํามาลมด้วยใจสองโพชเว่าทำด้วยตาลูกกลับมรเมี่การกินอาหารจะพอสมควรไม่มากไมน้อยนะัดไม่กินอิ่มจนท้องกลางไม่ให้หิวจักยังอิ่มสี่ห้าคำก็อิ่มแล้วก็หยุดเสียกินน้ําแล้วก็พอดีเรียกว่าชันโพชนะ ขอสมควรนู่นจะประมาณชาคาริยานยโยกก็กอบความเพียรไม่เห็นแกนอนไม่เห็นแกหลับมากนะักถึงแม้แกนอนตอนานนีก็ตามเพายายางอยาให้หลับก็จัดเข้าในชาเขาคิยานยโยกเหมือนกันคําคำสัำ่งสอนแต่ละบทละบาท เพร า, าราะว่าปรมาคติได้ก็ทำชั้นสูงมดถ้าคิดแล้วต่ํามันก็ต่ําถ้าคิดก็สูงมันก็สูงระดับคุณค่าสูงสเสมอกันหมดนับแต่น้ำโม่ไปเพราะน้องๆไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็มาตายเพราะน้องๆเขอสูกคนในม่านน้โม่เราน้องๆ มันก็เป็นส่วนมนต์อยู่ในตัวเราภาวนามันก็เป็นส่ว น, นว ม, ม, มยยนต์อยู่ในตัวเราภาวนาพุทโธมันก็เป็นส่วนมนต์อิจิปิโสาะว่าอังสมาสุพุทโธอยู่ในตัวเป็นสวดคัสโตกตวะตาสมุทติสิโปเป็นชุกตะจัโนชุกตะจัปโนยายะสามีอยู่ในตัวเราภาวนาพุทโธแต่ว่าเราว่าความย่อเฉย มันก็ม้วนกันลมลงอยู่ที่สติและปัญญาของเราที่ตั้งไว้เองในปัจจุบันนั้นเองคือตั้งเลมหายใจเขาออกมันมีอยู่ทุกลงปราณเลยอะลมหายใจเขาออกนังนน้าเอ็นกระดูกก็มีอยู่ทุกขณะเหมือนกันไม่มีแต่ลมเข้าหรออกผมขนเล็บฟันก็มีอยู่ทุกขณะมันวเอาวการและสังขารเหมือนกันลมหายใจเขาออกก็าเยาวการและสังขารเหมือนกันพุทโธเป็นนามะคุณเป็นนามะคุณ เป็นคุณน่านามคุณนามว่าคุณเป็นคุณอันไรเสือไม่หลับพุทโธจนถึงพระนิพพานคุณน้อมถึงพระนิพพานคุณก็ได้ของกานพุทโธพุทโธใหพามาเกิดพุทโธให้พามาแก่พุทโธให้พามาเก็บพุทโธใน้พามาตายพุทโธพามให้ทานนะคะสิงโตนาพุทโธมาให้นอนใจในวัฏตะสงสารพุทโธให้มีเรื่องภาวนาคอยคนทุกข์ในวัฏตะสงสาร พุโทโธไม่ให้มีเวรมีภัยสัมพันธ์ผู้ใดสร้างควไมร่มให้แกเขาออกได้ทางนั่นพุโทโธพาไม้ให้มีเวรมีภพยพุทโธพาไปสวรรค์รรนิยมานโดยด่วนไม่ได้รอช้าพุโทโธไปผู้เห็นไัยในวาดเจ้าทั้งส า, ท า, งทางทมทังงง้งโมทั้งโธคำวันสันสร้างเขาลมให้แกเขาออกสร้งลมให้แกเขาออกไวเสมอเสมอ จิตจรินจะอยู่ใช่อย่างนั้นไม่อยู่จิตอยู่ในใส้มันเห็นชัดป็นธรรมะชัดในปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมจะพิจารณาอะไรก็ตามอย่าไปพิ่งลมให้ใจเข้าออกเขาเอาเป็นหลักไว้ถ้ใอย่างนั้นมันเป็นโคเป็นกระือเป็นว่าขึ้นในมีบางเหียนเป็นโคเป็นกระูขอ้นในมีคสาจับเป็นรถขึ้นในมีเบรค รถที่ไม่มีกลวงอะไรยอดซายอายอขวามไม่ถูกคป็นรถที่ห้ามรอบไม่อยู่ไม่มีหลักหลักวัตถุธรรมโอทั้งโคทั้งไส้ลำไส้ท้อ ง, ง, งขาออขดท้ออะไรอะไรก็ตามอยาอมา่าไปขึ้นลมจะพิจาราไปกี่ร่านกี่แสนก็ตามอย่าไปขึ้นลมข้าโมองว่าอย่างนั้น ถ้อย่างนั้นมันเป็นสัญญามันเป็นทุกขีพัญญ์ับเหนือตะคุบอันนั้นเหนือตะคุบอันนี้ไม่มีหลักเอยไม่แจ่มใสเลยไม่แจ้งชัดในกรรมฐานอันนั้นอีกด้วยสติเพราะว่ามันคงด้วยสล้วมันชนะควาตัวกับสติก็มันมีในก่อนในหลังอยู่อันเดียวกันสมาธิกับสติก็มันมีในก่อนอในหลังก็อยู่อันเดียวกันปัญญาเขาราบรูในลมหายใจเขาออกศีลก็ตั้งมั่นในลมหายใจเขาออกสมาธิก็ตั้งมั่นในลมหายใจเขาออก ปัญญารารู้ในมห้ใจเขาออกไป้วุทาสมุทังโกมันก็อยู่ที่แห่งเดียวม่อยู่พลนามุโ ล, แลกแต่มึงถือเขาทักขันเขมารวมอยู่ที่นั่นแล้เราสมมมารวมในมใที่นั่นแล้วโตดลงมารวมในลมห้ใจเขาออกแล้วสมุติ ม, มารวมในพุทโในลมห้ใจเขาออกแล้วหรือสมมติมารวมในไอ้ยางทุกสังฆาราามารวมลมหาใจเขาออกก็เหมือนกัน ไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ไม่มีหลักต้องอยู่ลักเดิมต้องอยู่ครอบเดิมเหมือนเขาเรียนฟุดบอลเมื่อมันออกนอกเขตเขาก็เอานกหีดติดกลับเข้ามาในเขตของเขาอันนี้สมันรใจให้อยู่ในวงของสติหองสมัครใจนี้ควารู้ตัวในเรืมันจะออกนะมันจะรวมหรือไม่วงก็ตามไม่ใช่โทษมันนอนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตาม ยังไม่หลับเพียงใดก็เราลึกถึงลมหาใจเขาออกในเพียงนั้นอันนี้ก็ถูกแผ่เมตตาเขาสัญแเมตตาพ่ามลมห้ใจเขาออกสำคันไม่ตนนั้นท่านผู้อื่นจะเป็นเถื่อนโยนสีทุกตงหน้าจเป็นเถอนและกต่างเนกรพาะคมลหใจเขาออกสันลมเป็นธรรมฐานสำคัญมากที่เถอแต่ทางเขาจะขาดไสหนาพิจารณาอะไรอะไรก็ไม่ขึ้น ไม่ทิ้งอาจารย์เด <me> ิมไว้ตามหลังพระอาจารา์ปฏิบัตพระอาจารย์องค์นี้สําคัญมากเดี๋ยวว่าพุทโธเขาไม่ทิ้งอาจารย์องค์นี้เดี๋ยวถึงถามถึงขืนถึงพ่อนาเขาไปทิ้งอาจารย์องค์นี้จะติวหัจะเพียงไหนก็อยากทิ้งอาจารย์องค์นี้อาจารย์องค์นี้เป็นองค์สำคัญเราเรานั่งอยู่อย่านี้เราต้องการเห็นก็เห็นเนี้ทั้งพูด อยู่แล้วนี้ก็ต้องเห็นจะต้องการเห็นใกล้ๆจะต้องการเห็นอยู่บ่อยๆสติก็มีอยู่บ่อยพ้ะชนญาติก็อยู่บ่อยก็ทำงานบ่อยเหมือนโคมืนกระบือเวลาจะใช้จะไปจับมันวันยังท่ำมันก็จับไม่ได้ใช่ไหมได้ต้องการจับเวลาไหนก็ให้ได้เวลานั้นไม่ได้มะต้องการ มันจับโคจับกระบือมาเชิมไเ้เมเอดจับวันยังทำก็ไม่ได้อะไรไปลอไปลรอเขาจับไม่ได้ลายอะนนั้นในกาับเวลาเราต้องการเวลาหนึ่งจต้องให้ได้เวลานั้นเพราะเป็นของมีอยู่กับตัวแล้วไม่ไม่ใช่ของจะไปยืนท่านผู้อื่นมาตายคาลมห้ใจเขาออกตายคาพุโตเขาจะเกิอดอนสนัขโลก น, นั่นต่นี้นัจิตแงให้สองหงันมด้วนั่ตแงให้ยังมันก็เป็นเรนื่องเขาเขา ยึดใจทุกันห้ามติแตดงไปทั้งหมดหรือไปทั้งแบบงับปรื่องกับผู้สัติผู้ปัญญาติดแดงไปไปในโลเกี่ยวหรือไปโลกกุศลละมัก็ขืนหรือกับสันติปัญาติดแดงข้านี่มันตัวมากใช้มากใช้ใช้เหมือนโอ้ว่าพี่เราว่าง่าร้ยบ่อนเออข้านี่วัดนันแหละเราบอกงั้นยังไงบอกวัด ป้าเ้าอนันกุกเจ๊กกันไรอ่ะเรีย้หรอล่น้ำพระแหน่หรอเปล่าเวนาสนะเป็นทาหนเลยเวลาสนะที่ดที่ร้อนที่ตุ้ดที่หารเป็นท่าให้สอนาพ่อชนะเป็นท่าทหารเป็นท่าขอพรานท่านสบายเป็นท่าก็มีบุญเมามาหอม ห, หายทอใช้หนาชนะเป็นท่า นั่นธรรมานุกุตติวิหารไทยเฉลี่นเป็นท่านอยู่ในมนุษย์โลกมันเกิดเป็นขอ้อคิดอยู่ในฝุ่นในเมงสวรรค์แล้วพระโมคคัลลาท่านไปเห็นมีม่านน้องไปเทลีล่นกวงฟองท่ามาท่นที่อยู่ก็คือกวงฟองท่าของนั่นธรรมานุกันนั่นธรมมานุ ก, ะะนนนกยุทธายานเขากำลังสั่งนล้วแต่งกุตติวิหารอยู่ในมนุษย์โลกฝุ่นมาท่าน มันเป็นข้อทิพเกิดคื อ, คอม่ทาขาแล้วเดือนเป็นขออประางก็ว่อาอพระโมคคลลานิลงมาลงม า, า, ม, ออามาทาโมโพธเจ้าคนบท่านตายมันเข้าทํอดีมันเกิดเป็นข้อทิพย์ไว้เมื่องนสารรค์นันม่บอกเขาหนยะคนมาท่านตายเข้าท่อดีนะ่ะมันเกิดเป็นข้อทิพยไว้ในเมื่อสวรคาแล้วไม่บอกะไตัวข้ถามเทวดาของเล่าเขาลงม า, น, างนี่เลยว่า่าน องค์เจ้าแค่อนนะีกคนหน่งตัว้ามเที่วานมานีไปแล้วจบสติท่ม า, ามองยิงหนันาางเลนะ่กระแม่น้องเขาไม่เห็นตัวมันมากเขาเกิด ก, ก, ก, ก, ก, กันนะ่ะเจายย้าโรงพยาบาลของบริเัทดไ ว, สวยสร้างทั้งอาชีพเราเองมันเกิดเราเองมันเกิดไปทางเาสรเือกันเอวดเทดากขบริษัทเราเท่าของคิดย์มันเกิดนนกกกนก้นเองของทิพมันมีสองยางมารหกเข้าไปของคิพยอก็นเป็นทิพทั้งทุกมันเกิด้นเองมารหก มันเกิดสมาธาแล้วอได้ทำบาปแล้วเป็นอาวันนะนี่มงโตขึ้นทุ่ถึงอาวันแล้าก็ทำไปสูกระสุนก็พ่อรู้ดีอยวาวัฏตาสงสารนี่เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยความเกิดเป็นไปด้วยเต็มไปด้วยความแก่เต็มไปด้วยความเจ็บเต็มไปด้วยความตายเต็มไปด้วยความนิ่งพระธาต เต็มไปด้วยความปรารถนาบัได้ยสมหวังทิ้งโมนิมันมาเต็มอยู่คิดยู่ใจเฮาเขาคิดใจเฮาเป็นผู้จักภาพโพดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนว่าเป็นเรื่องสั้นแล้วก็ว่ามีหนทางอันไหนก็มีหนทางแต่เอาพอพูดพะทำพอส่งสอ ง, งลงไม่ใจให้เลิกก็แผ่นดินหนาสองแสนสี่หมนโดยดคนแผ่นดินหนาสองแสนสี น, นโดยด หนูระเบิดปรมาหนูเขาทำลายแตกยุกคข้นผู้ถึงพระพูธพอทำพอสงแล้วซึ่งเป็นอาจารและสัทธาสัทธาประวกติสัทธาในโลกกุตละสัทธาเสื่อมันไดคุณพรอพูธพอทำพอสง์ว่าเป็นถ้ำที่ถ้ำสร้างสอนของสัตว์ทั้งหลายเป็นนิยายนิกระทำนําสัตว์ออกจากวัตทุทั้งปวง นี่ทานวัดศีลวัดภาวนาวัดเป็นต้นทานวัดศีลวัดภาวนาวัดของเฮาเต็มตุ้มแน่วยุดไม้ปลายทางของเฮาก็จ้าเข่าสูพระนิพพานเดี๋ยวนี้ทานวัดศีลวัดภาวนาวัดของเฮายังบกคร่องดูท้อจึงได้มาทองเที่ยวในวัดตาสงสารเพื่อสั่งเขาใสในกิจในใจในมนุษย์ปุ๊บังของเฮา ขันทนวัตศีลวัดพาวนาวัดแกก้าเข้ามาในกิจในใจเฮาถไลกิจใจเฮาก็นับวันจักรสนะคว่มหลงจักรสนะคว่มพื่นในวัตาสงสารไปนะกว่าขัานนาวัตศีลวัดภาวนาวัดของเฮายังไม่ท่านเต็มเที่ยงไหนเฮาก็มีนาที่ศีลสางไปตะพื้นตะพื้นผู้ไปหอดไหวที่สุดก็คือหอดในศาสตร์นี่ ผู้ขันที่สองก็คือภาษียาเม็ดไตผู้ขันที่สามที่สีที่หาที่เก้าที่ร้อยที่หมื่นที่โกดที่ลานที่ตื่นติวเสรีติวกับพระพุทธเจ้าอง์หลังเป็นลําดับไปอืมแนววันนั้มันจังไหนก็ต้องไปบนเดียวกันเมด่อคิดว่าจะ่ประกาไปหลังเท่านั้นไปพนิพ่านนเอพวกที่ไปพนิพ่านแล้วน่ะมากว่าเม็ดหินเม็ดทรายเนี่ยทองมหาสมุทร ซีมหาสมุทรผู่เกียมตัวจักไปก็เหมือนกันผููไปแล้วกว็เหมือนกัน <c oughs> ดอกบัวซีเราเราที่อยู่ใต้น้ำก็ต้องไปที่หลังก็ต้องบานที่หลังดีบ่ดีบ่าบานพอเป็นพักษาแห่งป่าและเตาดอกที่เสมอน้าก็มีวันจักบานดอกเป็นตูมดอกที่บานแล้วก็บานเต็มพุ่ม ดอกบัวว่ไม่ไแน่ะขังพุทการเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่น้าหัวข้อนะดอกบัวก่อเดียวดอกบัวกอเดียวหนึ่งไม้ขั้วามาคนอยู่ในโลกแต่ละดอกไม้ขั้วามาแต่ละรล่ของบุคคลอดอกบานกระด า, านเต็มพุ่มคือผู้มาอาจารย์ผู้พ้นพ้นไปแล้วดอกตูมกระตูมเต็มพุ่มคือผู้ตะเกียกตบตะกายอยากลดอยากพ้นอยู่ ดอกเสมอน้ามก็เสมอนาม้าเต็มพุม่มคือกำลังเล่งเห้เล่ง ห, หท่านนักษาทิ้งภาวนาอยู่ดอกอยื้ใต้น้ำก็อุปมาผูคือผู้เถือว่ามีบุญมีบาปสุกเอาเผากิน เ, เจอก้างไม่ได้ว่าเพราะยังเหมือนมนอนทการอยู่พวกมูเฮ้ามนก็อยู่ในระวางดอกที่เสมอนาม้าและกำลังเต็นตูม คู่วะอาจารย์ผู้คนปฏิบันเคร่งขัดพ้นพนไปแล้วเห <c oughs> มือนดอกบัวที่บานอยู่ในปัจจุบันนี้เองปัจจุบันนี้ผู้พ้นพก น, นไปแล้วก็มีอยู่วันใดนี้ย่อมการว่นนี้ย่อมเวลาอากาลิโกผู้ใดทําบุญย่มใดก็เป็นบุญย่อมนั่นผู้ใดนั่มบาญย่มใดก็เป็นบาญย่อมนั่นย่อมใดย่อมของคิดของใจบาปมันกับบาปอยู่ใจบุญมันกับบุญอยู่ใจ ทำบุญเนี่ยก็ลงไปยุจัยหันบริบบทยุบันอืน่นข้างสมบัติพัชฐานที่ห้าออกไปฝากไว้อันนั้นจะสมบัติพัชฐานถ่ายนอกทำใัม้มีหลายเพราะโจรชิลักเพราะเขาติดปนเพราะเขาสิดจี้สาะพัดจึงไปฝากขั้งไว้เหลือว่าสังหาริมทรัพย์ส่วนอสังหาริมาทรเหลือกสวนให้หน้าห้องเฮาไปยุตามเดิมสัวิญญาณก็ทร ทรัพที่มีวิญญาณก็ดีอ่ะวิญญาณนั่นก็ทรัพทรัพที่บุมีวิญญาณก็ดีทรัพย์พายนอกมือนี่เป็นของมาแน่นอนโจรหาะละโนนิธิโจรลเอาไปก็ได้สร้อยไม้ก็เป็นพระาราชาลิบเอาไปได้ท่านเอาไปฝังไว้ในน้ำกระนาคพูดทุบวันเตอเอาไปกินฝังไว้ในขี้ดินก็พูดที่ปีศาจอาไกล บุคคลผู้ฝังคุ้มซับไว้ในธานวัตศีลวัตภาวนาวัตเป็นคุ้มซับภายในอนุฆาเมนี่ติตตามตนไปทั้งในภพนี่และภพหนาและยังยิ่งคือพระนิพพานเดี๋ยวนี้เข้าจองคิ้วพระนิพพานแล้วสี่หอดศาตร์ใดภพใดกับวได้ว่าผู้ปัญญาไว้กัต่อหอดศาตร์นี่มาค้าดีแลนช่วงมาค้าหักลุกมากคือผู้สามบาลนี่แก้ก้าแล้ว ก็ต่องแลนออกรกผู้สาวผู้ท่านกล้าอุปมาคือมาขาดีไปกอนบโลการท่องเที่ยวในวัตจสงสารเ้าว่ามีการสงสัยดอกนี่จะเกิดแก้แ็บตายม่อมึงอดีตเกิดเกิดแก้แ็บตายเถืองมาแล้วม่อมึงอานาคตเกิดเกิดแก้แค่ตายบท่านมาเถึง มองอยู่ในปัจจุบันก็เกิดแยกล่็าตายที่กําลังเป็นอยู่มองมึงอดีตกับอนิจจังทุกครั้งอนัตตาที่รวงไปแล้วมองมึงอนาคตกัอนิจจังทุกครั้งอนัตตาที่พระท่านมาถึงมองมึงปัจจุบันกัอนิจจังทุกครั้งอนัตตาที่กําลังเป็นอยู่เขาเห็นค้อนตายขณะคิดหนึ่งเขาไปเห็นรอบโลกโผล่เต็มไปเลยข้อนตายเขาบ่ต้องสงสัยโลกอีกบืนไปสงสัยอีกเกิดียกว่าเห็นบ่ชัด เรียกว่าเห็นตามที่เคยได้ฟังมาเห็นตามควมจำที่ฟังมาถ้าเห็นชัดๆแล้วก็าบ่ต้องสงสัยเห็นควบเจ็บขณะนึงก็เห็นโล ก, กรอบหนึง่งเห็นคนบตายขณะคิดหนึง่งก็เห็นโล ก, กรอบนึงเห็นควบบวมอันว่าเทีย่ยงขณะคิดหนึง่งก็เห็นโล ก, กรอบนึงเห็นเมื่อโลกทั้งหลายเต็มไปแต่ความทุกข์จังซีแล้วห้อทั้งหลายก็บอกว่ามินสิมาสะสมควมหลงไว้แน่โลก พ่อหลงสีวละอาราถอยออกจากจิตตสันดานมันกับโบนี่พอมองดูผักพดของโลกมันมวยวันรีวันรับอุตปาที่อาโลกโก้แจ้งสว่างเหมือนไฟโพงเกิดก็เกิดเปิดเผยทุกเกิดก็ทุกเปิดเผยทุกแก่ก็ทุกเปิดเผยทุกเจ็บก็ทุกเปิดเผยทุกตายก็ทุกเปิดเผยทุกปรารถนาไว้สมหวังก็เป็นทุกเปิดเผย ทุกพัดภาคจากสิ่งที่รักที่ชอบใจกลาเป็นทุกเ ป, ป, ป, ปิดเผยมันสอแสี้ยงหเห็นทั้งสมาธิทั้งปัญญาทาั้งศีลสมดุลกันอยู่แล้วเรียกว่าสมาธิหรือศีลสมาธิปัญญากลมคืนกนันเห็นจังสิว่ามันสมาธิหงมาต่อว่ามันสมาธิรับตาสมาธิมีปัญญาสัมพญุดเมื่อเห็นรอบขอบได้ชิงแล้วนี่แล้วว่าเกิดดูมีควอมสงสัยในวัตฏาสงสารทั้งปวงแล้ว ให้เขาแม้ทักพักเส้นหนึ่งก็มีแต่หวังจกพ้นจากความหลงจากของสิ่งเดียวเท่านั้นว่าได้หวังว่าจากมาเกิดแก่เก็บตายอีกเพราะให้พ้นไปเสียโดยดวนขันบ่ดวนกับยะสุให้พ้นจากสภาศสิยเมตตายไปหรือพระเจ้าสิโพ อ, องนี้ถ้าพูดไาไว้ก็ยุว่าได้ผู้ใดพิจาน่าทุกเป็นอารมณ์ผอมกับลมหายใจเขาออกด้วก็ดี ผู้ใดพี่เจ้น้าอนิจจังพร้อมกับร่วมหายใจเขาออกก็ดีผู้พี่เจ้น้าอนัตตาเป็นแต่ซักว่าสังขารถ้ำเป็นแต่ซักว่ากองทุกข์ในวตาสงสารอันนี้โ่เมนสัตว์บมเมนบมุคคลมีตะกองทุกข์ล้นล้วนอรรถที่เจ้น้าอยู่บ่มีกังเวนกังคืนบุคคลผู้นั้นอยู่บ่อได้บ่มีวิญ ญ, ญาณปฏิสนธิสิปตัง้งโยบันไดนักเขานักเข่าตายเมื่อแล้วก็เข่าสูพนี้ผ่านโหลดบ่ได้ลอดซา เออมือไฟสิไปดึงไวไ้ได้บืได้ไปหามไหวได้เออไฟสิมีกโเกฑ์ไปหามควบเบื่อควมนายควบค่ า, คายควบเมาา้คาคว บ, บสัตว์ควบพวกก้นได้เมื่อมันพ่อของไฟของแม่นนมันก็ต้องไปของคนเกิดมาในโลกนี่มันบมเดียร์ระดับเดียวกันผู้สางบาลมี่มากเกือบเต็มตื่นแล้วก็มีผู้ที่ไปในซาสนนี่ก็มี่ผู้ที่ถึงพระสวสดาบัณสักทา ข, า, ขามี่อนณาคามี่ก็มี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายบริเวห่วงบริษัทบริเววาน รวมกันอยู่บางพระ อ, องค์เป็นพระอนณาฆ่ามี่ไปโยสัน้นอาวิหาอาตัตปาสุทธาสุทธศีพระท่านเนเขาสูพระนิพพานก็มีพระพุทธเจ้าของเฮาหายตัวแวบไปเข้าเดียวอยู่ปุปามหาวันขึ้นปสุท ธ, ธาวาทท่านมาอยู่นี่แต่น่านปนัญใดแต่ว่าเฮาหูจักท่านแล้วแต่เฮาจากถามท่านท่านจะตอบโกงกับค่ำของเฮาไหมพระพุทธเจ้าของเฮา เรารู้จักท่านแล้วท่านม า, าแต่สายเราก็รู้จักแล้วท่านมาแต่พระเจ้าองค์ไหนเราก็รู้จักท่านแล้วแต่เราจกถามท่านท่านจะตอบโงกงคำของเราไหมโอ้ย <c oughs> กับผมนี่ <c oughs> ละกา ม, มาร่วมมาตั้งแต่ครั้งพระเจ้า <c oughs> <c oughs> กัจจปะอกา ม, มาร่วมขาดไปแล้วยองแต่โมหะร่มน้อยเดียวหนึ่งจึงได้มาเป็นพระอนาค่ามอยู่นี่หลายกลับหลายกันแล้วเั่๋ยวถาม แต่ระดับระดับเพราะบางพระ อ, องค์ดูแต่ป่างพระโกคูสันโธก็มีแต่ป่างพระอโนมาถัดสีก็มี่เพราะอายุในอวิหาอัตตาสุตสาสุต ส, สีมันยืน่นไหลายกลับหลากันเออ <c oughs> เช้นแม่พระเจ้าของเฮานี่สิกระปัดธนาเป็นแม่พระพุทธเจ้ามากตั้งแต่พระเจ้าที่ปองกอนเออ แล้วมาเป็นแม่พระกัูสันโธแล้วก็ออกจากแม่พระกัคคูสันโธแล้วมาเป็นโกนาคมโนออกจากแม่เป็นแม่โกนาคมโนแล้วถึงมามาเป็นพระเจ้ากัมาเป็นแม่พระเจ้าคัจโปแล้วมาเป็นแม่พ ร, รเะเจ้าโคตโมย่งอีกองคหนึ่งเป็นแม่พระศิยเมตไตแล้วจักได้เข้าสูพระนิพานหัวก็ได้พระโสดาบัน วางพระพุทธเจ้าคือประเทศโปรตวสแม่ดาวมาดึงพระโคตมะึ้นประเทศเทศเอาแ ม, ม่แม่์ลนยพระโสดาบันยั่งยูเดียวนี้่ออยังมาท่านเนี่ยเขาซูพระนิพพานยั่งสิเป็นแม่พระพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งยูสกอนนี่ปัญหาสอดเขามาว่าพระโสดาบันจะจักได้มาสางคละวาตดอกหรือพระโสดาบันเอกพิซี่เนั่นเดี๋มาสางาังอยู่ศาสตรหนึ่ง โกรังโกละเดเมสางฤกษ์เจ็าตสัตคตุโกรั่งโกละเดสาหกาต ส, สัตตคตุปรมาเดเมสางกเจชาติเว า, า, างท่าน่นว่าภาษีเมตไตมาเกิดแล้วสั่นมันบอเมเนมันสีเอนจังไหนภาษีเมตไตผ้าบริษัทบริวานไปไวายพาดเจเจ้าจินรัมณีประจําวันอยู่ พ่อมไร่ขืนไปสมัยพระพุทธเจ้าขั้งพระพุทธการกานไดพระมหาอนนญุออ ม, มจึงสิริล่งเกิดในมนุษย์โลกเพราะฉะนั้นเออเมื่อศาสนาพระโคตรธมคุณล้าจังสิดิลง่ะเกิดในจังสิดิล่งเกิดในมนุษย์โลกสิริเกิดเมื่อพระราสีเมื่อพระราษีนั่นสิริซื่อว่าเมื่ อ, าาอกุตุมมาว่าดี อ, อืม ที่แดัดทลไม่กากะทิงเพรามันไม่พ่อคือเฮาไม่กากะทิงนั่นแปลเป็นคาไทยเ่าไม่กระทุ่มเลือดนะนั่นมันไม่ต้องนาเนียวยังสั่นยังสั่นยังสั่นังสั่นส่นส่วนส่วนส่นแล้วห้าทั้งหลายกระชักไปอันเดียวกันมีะนิพ่านเป็นที่แล้วผันมาถึงะนิพานมาแล้วจากเื่อเที่ยวมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนีละใส่สากใส่กำจะของ เดียวนี้ถ้าบุญใส่นี้เจ้าของถ้าคนเพี้ยนใส่นี้เจ้าของหนีโรคหนีโกดหนีหลงบ่านมันใส่นี้ผู้อืน่นขันชนะกับนะเจ้าของขั้นแพ้กับแพ้เจ้าของในพระพุทธศาสานาะชนะทั้งอื่นบ่มีแพ้ทั้งอื่นบม่มีแต่โรคทั้งหลายเอามาใส่กันซื้อชนะกับชนะกิเลสเจ้าของแพ้กับแพ้กิเลสเจ้าของมีเท่านั้นในพระพุทธศาสานาเนเอย จงชนะคว่ำตานีของเร่าด้วยคว่ำให้ท่านของเราจงชนะคว่ำบ่มีศีลของเร่าด้วยคว่ำมีศีลของเราจงชนะคว่ำโหดไลอด้วยคว่ำเมตตาของเราจงชนะควมโหลมของเร่าด้วยคว่ำด้วยคว่ำฉลาดของเราจงชนะคว่ำบุภาวนาของเร่าด้วยคว่ำพาวนาของเราจงชนะคว่ำฉี่ข่านของเล่าด้วยคว่ำมันของเล่าจงชนะ ความืดม้วนอนทาการของเฮาด้วยข้อมือมอดม้วนอนทาการของเฮาพระพุทธเจ้าให้โอพนยอัยโกให้ปัจจตังนอง้อมเขาลงมานีมันจังแมนธรรมมันจังแมนปฏิบัตงิงเอวังเอาละมาโแมะลูกแมให้พระพุทธเจ้ลูกแม่ไว้ใส่ซื้อเมยไรแท้ไว้ใส่โลกเป็นพระส่องเนี่ยเนาะจ้างว่าใจอยากเนาะโลกอันนี้ไว้ใส่ซื้อนาะใจเราเพื่อไว้ใส่เอาละ อา่างแม่ลงสลุกได้พอยโจมลงมาอ่างล่องไปออนิซอนเบื้องต้นยื อ, อยุตรสายชาวุน น, นี้ขนาดเขาทั้งดีนั่นมาที่ตายนบมือ้อป่วยอยู่เดือนหนึง่งทีง่ทเหลือกล่องท่อล่องท่อเลยสักเป็นโลกไอ้ยังันสมัยนั่นกินจะอยหักไม่ องที่ไรก็ทุกหกนั่นแหละสองที่คนว่ากินขาว่ากินน้ำเดือนนึงเว้ยหนูกับน้ม่าเปอนสาวเดือนนึงสับยินน้ำว่าจะเอะเออกินบ่ได้เขาก็จะเอ๊ะเออกินบ่ได้ต้องว่ากินน้าเขาก็นน้าว่ากินเขาเขาว่ากิน นอนๆแล้วเพิยงหลังพียงหลังงานละเดือนหนึ่งบัญิีตายแค่นกมือไอ้นกมือเขาลบค้นจ่ายนองเง้อเลยสิมา เ, เ, เมันย่านจ่ายเขาเขาลดพ้นจ่ายมันวจึงเขาี่นองเ้อเลยสิตอนนี้มิซา น, นี้พบลูกเอกเข้าจะอยรวมกันเนาะคันมั่งมี่แล้วก็แล้วไปเลยสิยเงียบัว่าล เศ้าหมดทนีอ่ะอาจารย์จ่า่ไว้นาชาวบ้านชักหาในที่มืดอ่อนช่อนได้กัดขอนี่เกันบาทยท่านสั่งเป็นทอเงนนมีอุปสรรคมากช่วยกูก็เป็นพู้นาบ้านสรือว่าผู้ตื่นพู้นาบ้านก็ได้ เงื่นกูกระเบิดแล้วะปีนี้ที่ดินกูกระจงไว้แล้วเอาของกูนี่แหละเฮ็ดวัดเป่นของเลยเข้เามาอยู่บ้านใหม่วยอยอยเขากับอดนะเขากเบือดเข า, ากินทิมกินเสียวันบั้นไ่ได้กินในท่านกลัวจะไปวัดได้กับไก่เข้ามาเฮ็ดวัดช่วแม้กูก็มีอยู่วัดกูจะขายกูจะขายห่วเฮ็ด กุฏิเรเงื่อนกูก็หมดแหละส่วนสู้เลยจะสู้สิออกกุีิเป็นตัวสร้างสติเอากุฏิลังหนึ่งไงเติบโตข้าวคอยฝันมาอยู่ใส่เห็ดเช่นไรกีฬาเขาต้องดีทำเห็ดแล้วนี้เนี้ยไอ้หม่ยยงแลาวไอ้ปวยข้าวนี่ข้าวปวยอ้ฝันแ้วไอหอมคือกองอากาศขเท่าเว้ย ไปเอยๆหน่ไม่ย่างหรอกควรแ่ไม่ใช่ที่นี้หรอกแต่ไม่ย่างที่นี้ตายคนถูกแก่แต่ถ้ามันไปตายคนตายเนี่ว่ายใช้ยังดีก็จะพึ่งคนตายไปโชคไถ่พดีไหมเห็นเมื่อก็โชคไถ่พอดีแต่เมื่อเกิดผลดวงไหนสักดวงสุดว่าไม่ยิ้มเลยไม่จะไห้มันอคิดว่าพานสนามทุกไพ่ตายทุกคนต้องเกียมตายที่ต้องภาวนาเกี่ยวตายกันัว วัติตายเนี่ยมันสำคัญที่เกี่ยถือก็ถือที่เกี่ว่าถือก็ไปแบบไงล่ะมันมาคือข้อสวดอบันสัก็ท่าข้าวี่อาน่าข้าวี่อรหันถึงว่าถือคนมันถือพ้อแห่งอะะซุ้มพุนธ่ซื่อข้อนานี่พี่สาคัญครับบางข้าวใกล้จะตายมาแล้ลึกถึงบุญเราก็เลยตายข้าล้าก็ไปห้าบุญบากเรมดบุญเลยจะมาห้าบาปที่จะฟ้องศาลไว้ บางที่สรางกุศลพ้นบุญว้นร้ายแต่ในกระาท่านชิ้นเามานาเพราะเป็นชิ้นเป็นโลกีเพท่านแนรนอยเน้อหน้าจตใจมันบันไปแ้ึกถึงบาปที่ตัวในสางมับแไม่ตายค่ากันต้องไปห้าบาปเที่ยันหมือนบาปที่ถือหาบุญนึกถึงบุญตายค่าไปห้าบุญเท่ยวันจังมหาบาปมันว่าคือพวกข้าวสรดาวันร้า่าฆ่ามีน้าฆามีพวกขสรดาวันปิดอบายพูเหมือนอะไรเงนี อย่ายืนใยเดินใยนั่งใยนอนยังกรสร้างฝ้าฝ้าห้ากินนียังกระตามแล้ววะเมื่อก็มีสุขศรีที่เป็นไปก็ต้ เ, เกิดเรืร่องตระกูลสูงอีกสัง่งมันเกิดอีกสามศาสเจ็ดศาสหรือศาสเนืงก็ได้อันสามามาหาที่แตีก็ เ, เกิดวัถือภรรตที่แปดมีดั้มพีนังเค่แล้วก็นั่งวันนี้จัง เ, อ, เ, ตเอตีนันเสเนสวัทีหัวต ตัวดาวันชักขัดถูปรมตัตถถึงอย่างนั้นท่านก็ไม่ถือเอาพรที่แปล้ธรรมมาดิยันติมาเรียกกลางพระเจ้า ถ้าถือว่าของผเพื่อนถือว่าของผูุนีถือว่าของเพื่อนถือว่าของพูนี้คนขี่หิ้งคนย่อมเชี่ยบเบียบมันก็มันกับนีนี้แล้วพุทธศาสนาทั้งมหาวิการและทั้งมยุทธทั้งใจโลกธาตุนี่ก็ดีเท่ากับถือว่าของมาพุทธพระธรรมระสงองท่าคนขี่หิ้งของเขากับมมีคนเชี่ยบเบียบของเขากับมามีอันนี้คือการบดถ้าถือว่าของเพื่อนของผู้นี้คนขี่หิ้งมันกับี่อย่ อพาเอาหายเพื่อนเราบอกให้ขับอนเอาให้ริพอทะองโตล่ะเพื่อนเป็นคนเล็กยากท้องโตแล่ะพาเพื่อนเป็นคนเล็กเพื่อนถนอามากถวายเขาผเพราะเป็นจริงกับเพื่อนที่ไปถวายลูกเพื่อนมันอกระสันโพดมื่อกระตือ่นโพดเพื่อนเล็กเพื่อนออกมาถวายเขาผีพอเราเล่เอาหายโตเสีดอกพราะเปนจริงเข้าก็บมี่ยุ เขาจะไปให้ลูกโตอัอนหนึงสิมัดก็บ่ัสดเนี่คนเลิกต้องทัามาให้หัวหน้าผิดแล้วหมันเรียกตัวหน้าิสะดวกวัสดกสิสารวสุื่นหรืก็ผู้นี้เนี่เขากับมีอยู่มีเาใส่เาสองค์ไมีเาใส่เาสอยู่งพูอ่านคนป่วยเอาขึ้นมาให้ผู้นว่าังมันก็มารังาของเพื่นนาสั่งถากนังหนแล้วก็เออให้โตให้โตไปใส่ครับ น, นี่มันสุงแล้วล่ะดูน้ําลวงปู่มันเมันของงอ่ายๆแบบที่พ่อเองเนีย่ยงานตีเก็บอาหารไม่ได้เฝอยวัดเจ้าของแล้วพระผู้น้อยพ่อมันขันสามชีพเลยพ่ยอป้าเดี่ยวก็นี่งสั่ได้เกี่เขาขันสามชีพเลย รู้มันคันเจี๊บคลิปยังเซอรมอร์นี่เก็บอาหารเซอร์เมอร์มู๊มู๊มูนมู๊มู๊มู๊กกมู๊มู๊มูคมูาาา๊มู๊มู๊มู๊มู๊มู๊มู๊มู๊มา๊มู๊มู๊มู๊มน๊มู๊มู๊มู๊มูู๊่๊มู๊มู๊มู๊มูีู่่าที่เอาเพม่๊ น, น, น, นี่มู๊มนนู๊มูม๊มู๊มมู๊มูออ๊มู๊มู๊มู๊มู๊มู๊มู๊มู๊มู๊มู๊มู๊มู� เด็กือบ่เด็กส่งปฏิ ป, ป, ปทาคนเคยได้ยินบ่เคยได้ยินเะ้งา น, นงก็ไ่เคยได้ยนินอ๋อเพินใส่ของวะมีรากที่ได้หลวงปู่มัน ของอานไหน ท, ท, ที well. ่เขานอนถวายโดยเฉพาะคนที่ใส네่เลยของอะไรเขาที่นอนถวายส่วนสงกับมีใส่เด้แต่ห่างคผมวัฒน์ธรรมมัญยาศให้เขาเดือดอดวัทํามัญยาศมัญยาศให้พระเจ้าพระสงฆ์หจักพูตาเลี้ยมผุนจังหูจักลกปูมหาจังอ่านออกเอาทำจังเตองเดินเหรอคัั้นคามงคลจิตขั้นนขนัมงคนความเพลิน ที S <S <々>่ได้ันไหนเขามาถวยแต่คนคนก็ไห่วงคนกินใช่แต่คนเนี้ยคนก็ให้ลูกเจ่าอยู่าคนคัดที่ยังให้เข้าออกให้จ้าเลยเข้าติไปรักฟออาง้ยังมาถือคนอยูุ่ปันทัคนอยู่อยู่มองศอรรว่าคือเบืองลูกท่นครูอาจารย์องค์นึงเขาบอกออกซีคนพอายยากพ่ายง่มไปถื่อผาในเมือง มาสองไม้สือผ้าไปถ้ำบุญกับเพ่นในการแย่ยมันไม่นื้เงินเป็นผากากล้ตัวเดียวเอาเฮ็ดผ้าก็ข้ากัดปันยังบางที่เกียมอะไรผน่ยที่สัง่งอ่ะถ้าข้าสงสั่นหม้อปันยังจริงๆนะข้อมือหน่อยๆลยนะกาไกไ้ตัวเดียวซึ่งกาไกไอ้เก้าโตนั้น เทศทายจิ้วันพอดีอันน่ะคณะเาการทางทำไมเนี่ยเอามาามาบางสกุลเนี่ยคนแล้วฮะเนี่ยมาเ่ม า, มาหอดคนนครับโยมจะเก่าคนยุคน่มาบางสกุลเนี่บคนว่าไขาไหนคนก็ไปรับท่าขไหนคนรับแล้ยังเดี๋ยวปู่มัหาคนตลาดเนี่ย มนมว่าพ่อเมียผูอาจารย์ใส่ปาไอเขานี้ยสน้อยเขาปฏิบัตพ่อเมียผูบ่าอาจารย์ไส่แล้วผู้อื่นก็บปรสมทนาฝาเ่อนยูมาใส่แล้วผู้อื่นกับริบูรณ์หมดเลยเนี่นลูกเต่าก็ได้เลพอทายให้ออกภาษาเลยมีสน้อยก็ไปยกกจยกตูนไว้ยกถวายพ่อเมียผู้อาจารย์ลุงไอเขาเนี้ บอกวน้อยทีรัดตัดรัดงอมว่ายะมียคู่ว่าอาจารย์บุญว่ายเนี่ยถ้าอย่างนั้อืมมือเข่าอย่างไทยอ่ะนี่เรออกกนตามม่เลยอ่ะตดตามการตามเร่งามันก็เมีู้ายเล่ยแล้วยังบล็บกหล็อกก็ไแตะควันบลบกเขาอีกครับีเมือแบบกลับเพียนอีกแต่ร่ลูกผัว สัตว์ควรเราหามขาดก็ต้องถอยออกสักพัก็ไปฟื้นกระหองบางไ้อีกล่ะว่าไรช่องหานเปิดออกขาทักอยสักพักถอยจางซิ่งพอไปอิกช่วงบางอาจจะเริ่มช่วงบางคนดีๆสักพักโอ้ยเหนื่อยนี่มาทำเนื่อยแล้วใครคนนี้คือว่าอาจารย์ช่องไหนขาเจ้านี้อจรยาเจ้าตั้งใจมากเราเรื่อ เจ้าเหยียบาชาชาณาพะเจ้าครับเยยเอาไปว่างไว้นั่งลอกฉ่านช้างบินฉับาฉันรัวเขาหน่อยนะเพอย่สงสารเจ้าฝ่ายฝ่ายพระเจ้าจะหนึ่งสองแล้วก็พูดว่าดีนอกหรยังไดนู่นมาหะัรานะพระพุทเ้าเรื่องก็พอทีทศชานะธรรมหาเจกลเป็นมหาเนรศูนยกาบอกว่าดีละอัน โอ้มาแทนพอน่สสนอยมันจะเป็นเรื่องนิ้วมาแทนเ่เป็นเทวะทัดลงผาผสมคาร์นี่ท่านมาบดแล้วพอหน่อยแล้วไงผมพูดอ่านมาเป็นเป็นคนเป็นคนบ้เป น, นมหาเศรษฐีได้ทั้งปริยัตปฏิบัติเยอะเป็นเทวะทัดลงผาผสมคาร์มาไงขาคือมึงเปนกวนเป็นของ หมุกขลาสารีวุฒิรุโธองเจ้ากับมาเป็นของพระเทวทัตได้นุ่งไปเขาลดช่วงแซ่ลแซ่ลหรือสามวันมันจะเป็นที่สัมผัสีละขอน้อยนะจ๊ะขอน้อยมีเอาดอกผสมสมไว้พรอแม่ผู้จัดขอน้อยจะได้ก็วิว่อนเมตตาพวกขอน้อยเด้เมตตาพระเจ้าเด้อขอน้อยพระเจ้าพระสงมกันหมดทุกคนเ่ยบุใครหงงน้อยๆได้ขอน้อยนี้ลงไล่เดียวกันหมด ข้าตัดแล้วยอมแล้วพาเก้าน่งาจันฮะเนี่ยพระตัวเ่อไรแล้วเพื่อี่เที่ยวตัวคนห่างไงควระกคนหางกลางเลยเพ่อได้ลกปูหลุยได้ไร้ขมูคนในแบบก็ลกปูหลุย ผมไม่ร <MTV> ู้บอกว่าบอกว่าเอาบ่เอาไ่ล็กปูเลยอกคบล็อกคอ้บอก่อ้บได้เลยล็อกปูรลยล็อกปูเลยเอาเมื่อล er> ็อกูเยเอาแล้วกูเลยจะไปละท่านยุบบ้านอุ่นดวง่มใช่ไหมนั <innen> ่นเพื่อวันน้วน้จาษาห่งล็่กปมันจำาบนอุ่นดงจะได้กันจำเนี่ยจำบ้านเอานี่จบเหมือนเราเหมือนอะไรเนี่ยมาก ยุมงวายเนี่ยไปเดินดูกลมกี้ใหเนี่ยข้าเด็กนุ่งให้ขเขาจ่อสีขานุ่มัมนก็ขึ้นก็ไปก็มาก็ไปก็มากบไปก็มาเยืนเดียวยังเดียก็เป็นซ่านหรือมันง่านหรือมันคุ้นราชสียอดกับไวชักข้าแต่งคนเราขึ้นทะ พาเนี้ยพบริสุทธิ์ก็เผ่าได้เนี่ยนะครับห้องขึ้นพ่ะบริสุทธิ์พ่อเหตุได้ไมครับพระจากได้นาโตไปเที่ยวปัน ญ, ญาติโนมมนะมาถ้าบุญก็เผ่ามาใช่จะผู้อื่นเอาไปใช้คือจู้มาใ่พ่อได้ชนะห้องของอสมนะครับเขาบอกเขาเป็นผู้ยาญเมื่อเป็นว่าชีวิต ญ, ญาติได้พาทนนุ่มตัวากได้นาโตแล้วไปวุ่นญาติหุ่นโนม ถ้าเขามาบังสะกุลเฮ่าใ่เผ่านาใ่เฮ้าบกวรใช่เฮ้าจะเอาอันบริสุทธิ์มาใส่ไม่ใั่อันที่เขามาให้เฮ้าบริสุทธิ์นี่ดอกว่าใช่องไหนสืได้องไหนสืได้แบบได้เียับเอาซักว่าใ่ว่ไอะไรดอกท่านมหาเลยว่า่นี่เหตุแล้วมันผูกจักคืนมาได้หรืเฮ้าว่า่ แล้วมันคุณลัดขียอดบุญเรือนันมันรูดจริงกับพุักว่าสั่มันถังคักว่าสั่งคนว่าพุ่นลเลยอยากปได้เพราะผู้มันมันค้อว่าจีวิญญายอดาพึ่งนี่าแลว่านถามว่าเขาเนี่ยโอ้ยถ้าเขาน่อยแต่ถาบุญกำลังผูหมันเนี้ยคนนอยพุชักวิที่สิเฮ็ดพุจักไปที่สืทํำผาทีา่ฆาเนีเ็ดังไรผากระบองเ่ห็ดั้งไรผาจีว่านี่เอาเนี่ยไรเมื่อบอกพวกเขาน้อยเนี พ้าเขาเขาหน่อยเฮ็ดแดกเขามา่อปกษขาจนฉันหล่ละอล่าจังมาะน้ำเขาเขานีม่นมากด้วยเม่้อยู่โตจกได้นาโตก็ให้คู่บ่าอาจารสัตว์สัตวปั้นเขาไปพูดเขามันก็บาสมานะเฮ้าอะสมุน้ำเขาที่หาว่าเฮ้าเลไปอัญยัด ก, ก, กรบเพาะอนี่ยทำะคูวญตเขาท่าบ้านเจ๊งไรสัตว์คุณละเอียดบ่หรือบละเอียดลบ้มันนั่นเนี่ละเอียดบ่หรือบรละเอียดละเอียดและเสริมเล ด้านอาหารเธอเนี่ยผู้ไปแต้งอาหารเนคน ว, ว่าเป็นคนง ง, ง, ง, งูดิหลวงปู่มหาเป็นสั้นที่หนึ่งอาจารย์ว่าเป็นสั้นที่สองโตัวชิโมน่าชิเอะมาแหงซ้อ